เอวังพาวิตาโขพิก เ, เวมรณะสติเอวังพาหุลิกตามหาปลาหวติมหานิสังสาอมะาอมัตตคถาอามตะปริโยสานาติภิกษุทัหลายมรณะสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงมาก ยังลงสู่อามาตะมีอามาตะเป็นที่สุดแหล่ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรุรณทุกวันการเป็นช่วงของจิตตะ มืเวทที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณะสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณะสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายคือมันก็บางทีจะดีกว่า คนได้คิดว่าเออฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุเจ็ดสิบนี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉัก็จะทำนั่นได้ฉันก็จะนี่มันไม่แน่นะ่ะ ส0มสนี่ก็ตายได้เจสนี่ยิ่งใกล้แล้วเลยจะมาบอกว่าอย่าพึ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วถ้าอย่างนั้นก็จะต้องคิดถึงความตายว่าฉันจะตายพวกนี้บางคนอายุ60สินี่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80สิบยังไม่ตายนี่ทำไมฉันคิดถึงความตายมาต้อง20ป่ปยังไม่ตายลนช่วงที่คิดถึงความตายนี่ก็คิด บางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอด็กีิเลยมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดผิดผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณาสติก็ผิดพลาดและทีหนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณาสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทาไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติ คือให้ จ, จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติลำบฟังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจ หรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงทูบูฟังเริ่มจากความตายนด่นแหละชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ถูฟังเป็นช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ถูฟังมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มาก สถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่หมนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งไปแล้วก็พลัสช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมง ช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี่แหละหัวค่ําคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าเช้าคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ3าสี่ชั่วโมงเนี่ยเอามารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วง ยามท้ายเหงราตรีเวลากลางวันช่วงต่างๆทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเพื่อเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนั่นแหละในการที่จะทําร้ายคนอื่น ให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุรัจจัยความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามดูฟังความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้เรามากใกล้มากขนานะที่บางที่เรามองข้ามไป่เช่นเลมหมยใจของเราเนี่ถ้าเราไม่หายใจสักห้านาะทีหกนาทีนะดูฟังคนเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันเนี้ จริ ง, รงๆไม่ได้จะมีอายุส0ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีเท่านั้นแหะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจสัก5้า5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตลมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วพวรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจนี่ เชินมะเร็งปอดมันรวดเดียวมากปุ๊บปั๊บเอา้าไม่ทันพอหกเดือนตายแล้วหรือโรคภูมิอย่างนี้ไม่ทันทันหวันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่หกนาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสุดเข้าสุดออกวินาทีนี้นี่นะต่อชีวิตเราไปได้หกนาทีเท่านั้นเองนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีกหนาทีกับอีกหนึ่งวินาทีต่อไปนะไม่มีตัูฟัง มันกใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินเดินไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายโอ้โหมีเกิดขึ้นทุกวันเดินเดินไปเข้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกสตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็คึกกักล้มลงไปโดนสองดอกอีก ทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีก โอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้ มันเยอะมากทุกฝัง่งโรคไปไข้เจ็บขนาดว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ก่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายนุกฝั่งมันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่ า, าพูด ง, ง่ายๆจะเกิดมาเป็นคนถ้าเบียบเทียบแล้ว มันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่ฟังร้อยเปอร์ซนร้อยเปอร์นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีอ่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิดร้อยเปอร์เซ็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้าน ของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนภายในเจวันด้วยไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่วันอังคารก็พุทธเบลตุกเสาหรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งในเจวันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่สองลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้ากว่าตอนลมหายใจออกเขามางอาจจะคิดว่าเออบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจไอ้ลมหายใจสุดท้ายเนี้ยมันเข้าหรือออกแล้วมันก็อนั้นแหละ เหตุปัจจัยใความตายระหว่างมันมีมากเหตุปัจจัยที่จะให้สัตว์นรกสักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากนะความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากๆขึ้นเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลย น้ำท่วมโลกไปเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้เนเรายังมีมหาสมุทรเมดิเต r ร a เร a n ียนแอตแล pacific ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าจะแ ย, ก, ยกกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดเนี้ ไม่มีเลยถูกน้าพ่่มหมดเลยน้ําแข็งพั่วโลกละลายหมดเลยน้าพ่่มจนถึงยอดเขาไอแวร์เรสไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งลำบางมันตาบอดด้วยเต่านี่ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ละ่ะเต่าทเลตัวนี้ มันอืดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งปลุกขึ้นมาให้ใจเนี่ยร้อยปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ําท่วมโลกหมดนลยนะเศษสิ่งอะไรเนี่มันจมน้ําหมดนะทุกฝั่งสมมุติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นอยู่ของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่ง ที่มันใหญ่พอนีบอดี ก, กันกับหัวเตา่าโอกาสความน่านจะเป็นดูฟังมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี่หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ ให้ล่องลอยไปในมหาสมุติตามแต่ใจของมันตามแต่ทิตทางของลมโอ้กลายความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเอาหัวซุขเข้าไปพอดีบดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากทังน้อยมากคือคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็น เรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยทุงังมันสุดขั้วเลยถ้าอ่งั้นเราได้เกิดมาแล้วแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้เธอใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันมันเสียดายไงทุฝัง่งเสียดายคือที่ว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาท เสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรื่องใช้แบบสุริสุรายใช้แบบทิงท้งๆควา่ควางๆใช้แบบไม่รักษาไม่ถ น, นอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันไม่ดีนะ อย่าประมาทนะใช่ยังไงเอาอเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฝังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปคุณ ถ, ถามบิชกุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยใช่งไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความ สุดหัวความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรพิสุรูปหนึ่งบอกว่าโอ้เนี่ผมนี่เจริญมาราณาสตินี่นะวันละสองครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บนะโอ้โหคนนึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าเลย นกถึงว่าโอ้พระชา้าสอนให้ทําอย่างนี้ทํางนี้โอ้ฉันก็ทําทําเลยช่วงเวลานั้นสองครั้งแล้วที่เหลือทําอะไรที่เหลือก็ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทําการงานไปโรงเรียนไปที่ทํางานดูหนังดูละครที่บ่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันแล้วที่เหลือก็จึงไปทําอย่างอื่นได้ คิดว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นดี่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ระหนักถึงความดีให้ตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เหลือมเพลินไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากถึงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลานี้ ก็เจริญมรณะสะติตนนรเร า, าคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้แตาคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่ อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณสี่ถึงห้าคำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหารหนึ่งคำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยาที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือ มาตรีตรึกไตรต ร, ตรองใกล้ครวรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่มันเยอะไงตูบฟังคิดนึกถึงจุดไหนนี่มันดีได้หมดละ่ะแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงคือมันไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าก็เผลอเพลินไปตามภาษาต่ตางๆายนอกช่วงเวลาที่คุณแบบว่าจะมาคิดถึงจะไม่เผลอเพลินเนี่ยมันมากน้อยต่อเนื่อง ขาตอนอย่างไรคนแรกบอกว่าก็วันละสองครั้งช่วงที่เป็นรอยต่อช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็ไม่ได้ยาวเลยทุกฟังก็จะสองครั้งในยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมล่ะอันนี้บอกว่าในยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคําสอนของบราพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลย เราก็ที่เหลือจะประมาได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่สี่ห้าคำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่งสองคำนี่ประมาณสิบห้านาทีคร อ, อีกสูรูปนี้บอกว่าทุกๆสิบห้านาทีเลย น, นะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละที่เหลือนี่ก็อาจจะเพลิดเลไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่ามให้นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือ สองนาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทโดยบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละสองครั้ง หรือวันละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่นี่ชัวร์ยางประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคําข้าวทุกสองนาที5นาทีก็คิดถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆตมหมายใจแล้วเออนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่า ดิบางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าฉัน จ, จะต้องก็ต้องแบบหลับตาต้งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมจะไปทํางานทํางานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสกุลุ่ะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางทา ง, ทางหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเรื่องเงินทองเรื่องความรัก เรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทํางานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกเรียบ ท, ทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงานสามารถที่จะเกี่ยวข้องมามีในคําสอนของพระพุทธาได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติเงไี่ยบุฟังถ้าเรามีสตินะ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกินห้านาทีถ้าเผลอสติเกินห้านาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคํานึ่งห้านาทีเลยเหรอเออเอาหน่าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอาเอาสองนาทีก็ได้เอาสองนาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกินสองนาทีหนะ่าอย่างเนี้ย จึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทวันทีเรารูดถูถไาด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันหลิ่มๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายไปถายไปรูดโซเชียลมีเดียบ้างดูยูทู e วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงนึงหายไปละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี้โอ้ยเผลอเปินไปตามตาตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามหู เห็นภ <The In> <se eing> าพได้ยินเสียงอ่านั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณไถโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลย มีมันคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ไายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นนี่คืออกุศล น, นะแย่มันเกินสองนาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นเออพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไง สิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ได้ทุกที่ตามข่าวนานหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจรเราถ้ามีสติตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายสแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมอ อยู่ว่าสองนาทีเลยทุกลมหายใจเลยอะทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุงฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บ ớ, กุศลก็เกิด อย่าเหลอให้มันเกินห้านาทีนะนี่ก็ร้องกันนะเมื่อถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนเอาไว้นะ่ะข้าพเจ้าเนี่ยนำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยๆนะ่ะอ้ที่ว่าอย่าให้จิกรรองไปในทางอากุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศล น, นี่มันมีมากก็มากกพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้น เราก็อย่าเพลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนฮกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดิมนี้มันยังขายกันอยู่หดูตัวข่าวอินเทอร์เน็ตกันนะคุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วเนี่นะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางการเรื่องให้เพลยเพลย์น่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราเพลอเพลิ์ ไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทําให้ดีอย่างนี้โอ้ยมันมันช่วยเงน้นมันระยําอย่างงี้มันไม่ดีอย่าง น, น้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้างงาใช่ปะ่ะอันนี้คือเลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกินห้านาทีนี้พลาดได้นะไม่ใช่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดอึดขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราอึดอเป็นลมไปสลบไปฮาร์ดแอทแทกไป เาดูหนังดูละครอะไรที่มันเปลอเปลน อ, อยู่เซ็ตเลยนะลงทรก็หรือไม่ก็เป็นสายเดรฉานน่ยแต่ว่าอ่ะกุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทาให้ดีผ่านทางข่าวหนังหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุในทีวีอินเทอร์เนต็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไง ไม่เปลือยเลยไปตามเรื่องที่เป็นอกุศล น, นั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้ก็ทําไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะยะโ้แเป็นเราเราจะไม่ทํานะเนี่ยอหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทําการสําเนียกว้ว่าเราจะไม่ทําหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทําอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลและทําอย่างนั้นทิ้งก็ข้อหนึ่งละกุศลและทําเกิดขึ้นได้หลายแง่มุม การณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้เออเราแผ่เมตตาเขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาเออขอให้คนดีประสบทุกข์อย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกนั้นไวๆอะไรก็เป็นกรุณาระวังนะความเพลิดเพลิมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกอยู่เนี่ ถ้าเราคิดสมน้ำหน้ามันว่าโอ้ยขอให้มันได้หนักๆ ก, กว่านี้หรือกำอะไรที่มันไม่ดีได้มางอย่างให้ไม่ได้เร็วๆนี่อ่า น, นันอากุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่นี่เกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีโกโรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศล น, นะทุกฝัง เป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นดูคุณนกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นนะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอทุดูข่าวว่าเข้าตายไ อ, อยะเราก็ตายจริงนี่เกิดปล่อยวางได้หมด ลูเป็นพระอาันหนึเดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละเครื่องร้ายรัตเห็นความเบื่อในในวัฏฏสงสารละเรื่องร้ายรัตใน้ายอย่างเป็นนาคามีนาะหรือไม่ก็เผ ล, อ เ, ล, อ, เ ล, อ, เลอเป็นโสดาบันได้เลยอะ่ะในความที่ว่าเออเห็นความไม่เที่ยงจริงๆ จ, จังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วมีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันไดนะ โอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอจุหวังเราอย่าเปลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกินห้านาทีอย่าเพลินชั่วเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็สองนาทีเท่านั้นแหลนะหน้าสองนาทีห้านาทีช่วงนี้อย่าเปลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ย ปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไม่ไปไม่ไปเอา้ามันหมดใ่มันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งๆหนะ้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขยมันก็ตายไปใช่ไหมละ่ะบางคนก็แบางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากัน คนเรามีอายุไขไม่เท่ากันตามสภาพบัของร่างกายโครมาโทมพันธุกรรมอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิอดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุไขัยละเกิดตัดรอนแบบนี้ก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรภคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนกโรกภคภัยไข้เจ็บโควิดอย่างนี้เป็นต้นนี่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บ รวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ดี๋ย ว, ว่าอะไรเป็เหตุปัจจัยเสี่ยงไม่เสี่ยงหายใจเข้าไปเฉยๆธรรมดามันก็เป็นมะเร็งได้เอาเป็นโรคไปใกล้จเจ็บอย่างนี้ก็ตายได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทจะไม่ประมาทได้ทำอย่างไงเออนี่เราจะมาเริ่มเจริญมรรณะสติกันรบกว ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคือจะว่าเริ่มแล้วก็ได้นะแต่ว่าอินดูดักชั่นไงเริ่มต้นอินโทรว่าความสำคัญของการที่จะได้เกิดมานั้นมันมีโอกาสน้อยมันถึงสำคัญมากที่ได้มาน้อยโอกาสยากถึงสำคัญมากๆที่ที่สำคัญมากๆได้มาน้อยยากแล้วมันยังหลุดหายไปได้ง่ายยิ่งสำคัญมากๆเลย จะมาใช้สุรุสุรายเปลือเปลินไม่ได้ใช้ยังไงมันจะคุ้มก็อย่าเปลอเลินไปเกินหน้านาทีเอ้าที่ว่ามาเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของวิธีการเจริญมรณาสติแล้วนะครึ่งหนึ่งรักที่เลยออกครึ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เปลอเพลินไปไงแล้วจะยังไงไม่เปลอเปลินไปก็ได้พูดมาหนึ่งแล้วว่าให้ตั้งไว้ในกูสุรธรรมไงจริงๆช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะ อ่ะสมมติเราว่าร้อยปีร้อยปียาว่านานนะนุกังไม่ได้นานร้อยปีนะสมมตินะเอย่าร้อยปีเลยก็80สิบพออ่ะพระบรมเจ้าอายุ80สปีมรณภาพปณิธานเรา เ, าเท่านั้นเปล่าคนเรามีอายุประมาณ80ปีสมมุตินะในช่วง80ปีที่ว่าน้อยแล้วนี้บาปอกุศลแล ร, รมำอะไต่างๆมันเกิดขึ้นได้คือถ้าให้ทําบาป แล้วได้ชั่วเนี่ยมันก็ได้มากในช่วงแปดสิบปีนี้แต่ถ้ามีกุศลธรรมเป็นบุญแล้วได้ไปดีนะมันก็ได้มากเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเวลาที่ไม่มาก8ปดสิบปีเนี่ยทาบาปก็ได้บาปมากไปไม่ดีได้ทําบุญก็ได้บุญมากไปดีได้เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์่ยเป็นเหมือนจุด ตรงกลางทีตาเอาคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาละ่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปเนี่ยหละ่ะเราก็กำเนิดเตระชันเปรตวิสัยอใบภูมิได้โอ้ถูกมากถูกมากเลี้ยวขวาก็ไปสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจะกินพรรมหรือไปทางนิพพานก็ไปทางนี้ตรงเลี้ยวขวาช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงสี่แยกทางเลี้ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวไงทุกท่เหมือนมนุษย์ตรงนี้ เรามาอยู่ตรงมนุษย์นี่มันไม่นานแปสิบปีคุณจะไปทางไหนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่มันแป๊บเดียวนะแต่สําคัญไงชีวิตมนุษย์แปดสิบปีเนี่ยมันสั้นมากแต่สําคัญนะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายไปตกไกลเลยมันมุ่งไปเนี่ยบางทีมันถอยกลับไม่ได้นะหรือเลี้ยวขวาก็เหมือนกันมันไปมันก็ไปดีเลยไปไกลเหมือนกัน มันถอยกลับไม่ได้พระบุญนอันนี้ส่งมันให้อยู่บากก็เหมือนกันในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จึงสำคัญมากไม่นานเพราะฉะนั้นต้องเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีผมว่าเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีหมายถึงระมัดระวังเป็นเวลา้ราขับรถนี่นะตำรวจฟังที่ขํารถเป็นหรือว่าเคยนั่งรถนี่หรือว่าเคยบอกทางคนขับนี่ ขับขบไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะถ้าถนนตรงๆไม่ได้มีทางเลี้ยวจะไปไหนมันก็แบบสบายๆได้นะเฮ้ยแต่ว่าทางเลี้ยวมันจะอยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราเดี๋ยวนี้ทางด่วนเนี่ยโอ้ยเราเดี๋ยมาอยู่กรุงเทพดูฟังเดินทางนั่นนี่เนี่คืองงไปเลยอะ่ะเฮ้ยเลี้ยวนี่ปุ๊บอา้าวผิดทางแล้ว วนออมไปอีก30 40ี่สินาทีเสียเวลาไปอีกก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเตรียมการนี่มันดูว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจงวังหวาตรงนั้นเนี่ยถ้ า, ามาลึกกึกกักจะ ด, ดซ้ายก็ไม่ซ้ายขวาก็าาม ไ, มาามไม่ขวาชะลอความเร็วลดหลังมาทิ่มตำ่ำเกิดปัญหาใหม่อีกหยุดไม่ได้นะทุ่มฝังกระแสนี้กระแสแห่งชีวิตกระแส่งความตายนี่มันมาตลอดมันผลักดันกันอยู่ตลอดใน ตัวเราไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะนูฟังมันยังมีไม่มากป๋อเท่านั้นเองเรายังไม่ตายมันยังมีเม็ดเลือดขาวยังมีระบบอะไรที่มันจะทำความสตายกันไปได้อยู่มันจึงยังไม่ตายแต่มันตายตลอดอะกระแสนี่มันผักดันกันมาตลอดกระแสแห่งความตายก็ตัดรอนตลอดกระแสแห่งชีวิตก็ต่อไปตลอดตัดรอนไปต่อกันไปตัดรอนไปต่อกันไปอันไหนมันมากกว่าเท่านั้นเองหกนาทีเนี่ยอิติวานี่ มีเวลาแค่นี้ช่วง5นาที6นาทีนี่ยช่วงกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยช่วงที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้สักลมหนึ่งเนี่เป็นช่วงกระแสแห่งการที่มันจะต่อกันไปได้เท่านั้นเองความตายและความเป็นช่วงหัวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเรายังมีอกุศลธรรมคิดถึงอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องกังวลใจอยู่เรื่อย คิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปแล้วนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเตรียมเลยตกันเลยเปรตผีสุรกายสุนัขสัตว์เดรัจฉานหรือเลยไปหน่อยก็สันรพเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เขาเปิดทางให้เลยท่าฟังมันก็ลื่นเหมือนกันก็ทำได้นั่นคือประมาอะไรที่จะทำให้เรากงังวลใจ เรื่องอะไรที่มันจะยุ่งใจเรื่องอะไรที่คิดแล้วจะเผลอเพลินใจคือยุ่งใจบางคนก็จะคิดว่างั้นก็ทำไมยุ่งกับเพลินไปมันก็น่าจะตรงข้ามกับยุ่งตรงข้ามกับปัญหาตรงข้ามกับเรื่องที่ไม่ดีเปลินมันก็ปัญหาพอแรงเดียวกันกับเรื่องความโกรธความไม่พอใจเพราะมันคือโทรศัพท์และราคาไงเราคิดว่าเรื่องที่มันไม่พอใจกังวลใจนั่นน่ะ มันเป็นโทสะโมหะแล้วถ้าเรื่องที่จะให้เพลิดเพลินใจจะเป็นความดีใหม่เลยนี่นก็เป็นราค้าไงมีราค้าโทสะโมหามากถึงขนาดว่ามันโผล่มาในทางความคิดโผล่มาให้เราเห็นตัวชัดเจนนี่คุณไปชัดเจนเลยนะเลี้ยวซ้ายเลยนะเต็มๆมเลยนะราค้าโทสะโมหะมาเต็มเต็มคุณก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปเต็มเตมไปในที่ไม่ดีอย่างเต็มเต็ม ช่วงรอยต่อนี้มันก็จึงพาไปตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็วันเวทราฟิกแล้วแล้วคุณจะย้อนกลับไม่ได้เพราะกระแสมไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะ่ะแบบนานเลยอะ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมามาทางเลี้ยวที่จะไปที่มันดีได้นี่นะเออโธมันนานมากเหมือนเตา่าตาบอดอยู่ในท้องทะเล เป็นมหาสมุทรทั้งหมดโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกร้อยปีแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้ที่มันมีรูพดีพอดีของหัวมันเนี่ยมันมันมันมันมันอยากมาคุณฟังคือกว่าจะมาเจอทางเลี้ยวกลับอีกทีนี่ไกลเลยนนานด้วยแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งมืดไม่เห็นทางละ วนไปวนมาผูกเบียดเบียนให้กลัวให้โกรธให้เกลียดให้มีปัญหาต่างๆตามมาตลอดนี่คือมันเป็นทางที่ไม่ดีเลยนะอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นแต่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลกนทีเป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีราค่าโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันน้อยไงการแบ่งบันอย่างนี้ มันไม่ได้เป็นราคะการที่มีเมตตากันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทสะอาจจะงไม่เข้าใจอริยสัจสี่ร้อเอร์เซนเต็มที่ยังมีโมหะอยู่แต่ก็ไม่มากถึงกระับว่าเป็นความขตันอยู่เป็นความเข้าใจผิดยังอาจจะเข้าใจไม่ถูกร้อเปอร์เซ็น์โมหะก็เบาบางด้วยความที่ว่าราคาโทสะโมหะเบาบางนี่นะเดียวขวาไปเมื่อเราเป็นอะไรคือเป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันกันเป็นการที่มีเมตตากันเอื้อฟื้อเผื่อแผ่กัน เป็นการที่ว่าจะมีจะกินจะมีจะใช้ลักษณะนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีๆทางเนี้ยก็เป็นทางที่สว่างเป็นทางที่สบายเปิดแอร์เย็นชำได้รถไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องหน้ากลัวคอยระวังเป็นมืดไปหมดทีนี้ก็สว่างโล่ไปให้เลียวขวางไงทุกฟัง ในช่วง80ปีชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลถ้าจิตใจเรามันจะนึกถึงสิ่งที่เป็นดากุศลอยู่เรื่อยนะี่คือเปอยไฟเล้วซ้ายใช่ไหมพยายามระวังพยายา ม, ยายาม do your best พยายามเต็มที่ที่จะให้เลี้ยวขวาให้ได้พยายามเต็มที่ที่ว่ามีกุศลน่าทาอะไรไหมที่เราได้ทําแล้วเรานึกถึงเนี่ยมันจะดีได้มีไหม เรื่องอกุศลแน่นอนดูวังมันก็พยายามดึงไปใช่ไหมกระแสแห่งความไม่ดีเรื่องกุศลดูฟังเราก็สร้างขึ้นมีมามันก็ดึงไปได้เหมือนกันกระแสแห่งความดีเหมือนกระแสชีวิตกระแสงความตายเนี่ยมันพยายามตัดรอนกันดึงกันดันกันกระแสแห่งกุศลกระแสแห่งอกุศลเราก็สร้างได้ทำได้เพราะกระแสที่มันผลักดันกันมาในสมัยนี้เนี่ยนะดูฟัง มันเป็นกับดักมันเป็นเรื่องราวมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะมีแนวโน้มให้เราคิดไปในทางไม่ดีได้มากได้ง่ายเรื่องที่จะให้เผลอเพลอไปคือราคะเรื่องที่ให้ไม่พอใจเราก็มีโทสะออกมาเรื่องที่จะเป็นความหลอกลวงเป็นความเข้าใจผิดมันก็จะไม่เรามีโมหะออกมาไงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมาก มันเป็นกระแสของยุคสมัยปัจจุบันคนก็จึงหัวร้อนกันเยอะเราเห็นในการจราจรเห็นในข่าวต่างๆคนก็เลยแยกทางกันคนก็เลยมีชู้มีกิ๊กคนก็เลยโกงกันคนก็เลยแบบว่าทำร้ายกันหวางแผงกูดไม่ดีต่างๆนั้นนี่เพราะกระแสมันพาไปทำให้เราตอบสนองด้วยราคาโทรศ์และโมหะจึงมีการกระนำที่ออกมาเป็นแบบนั้นและแบบนั้น คนเปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำทุกฝั่งตกลงไปในแม่น้ําที่มีกระแสเชี่ยวจัดถูกกระแสน้ําพัดพามาพัดพามาพัดพามาอุย้ยถูกพัดไปงั้นใช่ปะเราเกิดไปกระแทกหินบ้างกระแทกตะหลิ่งบ้างกระแทกอะไรที่มันมีเศษดินเศษไม้มาเจ็บเนี่ยโอ้โหแล้วกำลังก็น้อยอยังน้ําที่จะเข้าปากหายใจไม่ได้นั่นนี่มีปัญหาแน่นอน เหมือนเราถ้าไปตามกระแสมากๆนะบางคนอาจจะมีอันจะกินนะ่ะแต่คนที่มีอันจะกินไม่ใช่ไม่มีถูกนะถูกเขาด่าลงหนังสือพิมพ์มีเงินมากบางทีก็ถูกโกงถูกโกงก็ไม่พอใจบางทีก็มีปัญหากับลูกนอก้องมีปัญหาคราบครัวเรื่องที่ให้ทุกข์ของคนที่มีเงินก็มีคนไม่มีมีน้อยก็ทุกข์เพราะมีน้อยก็ได้อันนี้มันเห็นชัดเจนกันอยู่แล้วเป็เประเดว่าถ้าถูกกระแส น, แบบน้ําแบบเนื้อพัดมานี่ ต้องแบบว่าหาที่เกาะเลยล่ะถ้ามันจะมีแก่งหินโอ๊ยไฟยกระแก่งหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิง่งเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ําแรงมันจะว่ายยังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงเนี้ตรงฝังคือลักษณะที่เราทําความเพียนในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะ กระแสที่จะให้เรามีราคาโทรศัพทโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ตัวฝังคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหนนี่คือน้ำมันพัดพัดไปอยู่ใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าเอ๊มันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสงชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่พัดไปอยู่พัดไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกินแปดสิบปีไม่เกินห้า น, นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่ง ในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่แปดสิบปีนะห้านาทีนี่ห้านาทีข้างหน้านี่รอจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆโดยที่เล็งๆให้ดีๆเนี่ยคือตั้งสติไวไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไวตั้งสติไวตั้งสติไวตั้งสติสล้วไง ความดีอยู่ตรงไหนสตินั้นเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นการมไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนแต่เป็นการหลีกออกจากการรมเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆเล็งให้ดีๆห้านาทีข้างหน้านีคุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็น แบกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อ ย, อ, อย่าพูดอย่าพูดฮนจีนั่น้อพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะแบบเข้าไปชนกัก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจ พูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประนีประนอมพูดเรื่องดีๆแต่จะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณนภังคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทาอะไรทางกายนี่ โอยจะแบบอย่าเลยถ้าจะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขาเนี่ยถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเพลอดเพลินเนี่ยนั่นคือเลี้ยวซ้ายเลยนะหยุดหยุดหยุดหยัไปอย่างงั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างงั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดีถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอะ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไวงไม่โกงไม่โกโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบ เป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเส้นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้แ่ะแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ถ้าเราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทกไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่ หยุดหยดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ห้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่ว่าจะมีการแบ่งปันทําประโยชน์ห้านาทีในช่วงที่เราเดินไปสองสามคำในช่วงที่เราพูดไปหนึ่งสองลมให้ใช้ในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทําอยู่นี่ เรามีชีวิตยอยู่แค่ห้านาทีนะอาโตนั้นสวรรค์เลยเพอร์เฟกมากๆอยู่แล้วแบบนี้หวังท่านบอกว่ามีอันนี้ส่งมากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางกเกษมเป็นทางสว่างคุณไหว้ตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดี รักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระต่ายให้ดีผอหมดท่านาทีแล้วไงหยิบเหลอเปลิน ล, ล่ะก็อีกห้านาทีต่อไปไงอีกห้านาทีต่อไปอีกห้านาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละหนึ่งถึงสองลมหายใจครั้งละสี่ถึงห้านาทีแค่นี้แหละตุ่มฝังมีชีวิตอยู่ได้แค่เนี้ยคนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ อีชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวฉันจะไปทํานั่นทํานี่เออเดี๋ยก็เออไปนี้ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวแป๊บห no, no, no. นึ่งนอนนอนนอนประมาณอย่าประมาณแต่ให้มีสติการเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายในหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไง ช่วงทีเราเป็นอยู่ไม่นานแค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเราจะอยู่อย่างไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือมันคือตายแล้วที่เหลือเนี่ยมันไม่แน่มันจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอาสองนาทีห้านาทีต่อกันต่อกันอย่างไงก็ไม่เกินแปดสิบปีให้สองนาทีห้านาทีที่ต่อกันต่อกั น, กนแล้วไม่เกินแปดสิบปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงเอาทีละช่วง ช่วที่แล้วเปิดแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทําได้ไหมกินข้าวคําหนึ่งรวม ใ, ใจครั้งหนึ่งเราก็แค่มีสติเนี่ยได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้บ่ะจะพูดคําอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้บ้างแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคําที่ดีๆพูดคําที่จะให้เกิดความสามัคคี พูดคำที่จะเป็นคำฟูใจพูดคำที่สุภาพเดีย๋ยใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณานะได้ปะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแหมจะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กวนใจนั่นนี่โอ้ย ม, มันมันไม่แค่ห้านาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้บ่ะ สัตโลกก็เป mm ็นไปตามกรรมเหนือดวงวังใครทํากรรมดีก็ได้ดีใครทํำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็ล้วกันถ้าจะกังวลใดจะจะกังวลใจเรื cool, ่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตโลกก็เป็นไปตามกรรมคนทํากรรมดีก็ได้ผลดีคนทํากรรมชั่วก็ได้ผลชั่ว คิดแบบนี้เออยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรคำให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบเนี้ยไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบีดเบียนทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียดเบียนเขาจะแบบให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายนี่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจนั้นก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกัน เราอย่าคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละคิดว่าโอ้ยทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดคิดว่าเออสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดคิดดูเบิกาวางเฉยคิดมุทิตายินดี คิดกรุณาปราตนายพ้นทุกคิดเมตตาปราตนายมีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเปลือไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าเอยฉันจะกินอีกสักคาหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันเออให้ยินดีในความเป็นผู้มีทองอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีทองวางยินดีในความหิว หิวสิดีคิดอย่างนี้คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้าใ น, นเมติวาเพื่อการตกแต่งให้สวยงาม แต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่ให้เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสะนะสิ่งจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาการสถานที่เออให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์กันนั้นเมว่าเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดด สิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูการใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ยังมีคุณค่ามากแม้แค่ห้านาทีนั่นเอาสมมุติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชูธนะฝั่งสมมตินะสมมติก็มันไม่แน่นะห้านาทีนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาล เป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเ ท, ทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้ร้อยปีเลย80ปีเนะี่ยคุณเกินไปเลยร้อยปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอ ค, คุณดา่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลิ น, ลนประมาทคิดไม่ดีกเขคนนั้นคนนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยเอโท้มันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลย ร้ปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ่ะแปปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราอาจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งโอ้ยปีหนึ่งยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายเช้า น, นึงอาทิตย์โอ้ยนเ่ยก็ยาวไป เอา60นาทีเนี่ลาฟังธรรมราบรุนกันมาเนี่ยโอ้ยโนโนอยาวไปเอาโล่หมายใจหนึ่งเนี่โล่หมายใจหนึ่งหรืออีกสองสานาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีผู้ดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรม เรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะได้ประโยชน์สองฝ่ายได้ประโยชน์ตั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สัน้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทําให้เราเหลียวขวาได้ระห ว, วางไปสู่ที่ที่จะมีความสมมาตรไปสู่ที่ที่จะ มีความพ้นทุกไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมีความปลอดภยัยนั่นคือนิพพานนั่นเองมรณะสติทรรมฝังเป็นทางไปสู่นิพพานได้เจริญแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ตันได้ฟังจไปนั่นคือการเจริญมรณะสติในช่วงของจิตตวิเบก โดยมูลนิธิปัญญาเปานาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิ t ิปัญญา .org e a n y a .org กัาพระชาพระมหาไพบุ์หาพี่ปุน่นหนอง เราพบกันในวันพรุ่งนี้จุฬาภร์